ข อ, อนิมนต์พระอาจารย์สันติพงศ์แสดงธรรมครับอถวายความเคารพหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะครับพระอาจารย์เป็นสารกราบขอโอกาสพระอาจารย์ยุกิกราบโอกาสพระอาจารย์กกรยกกรวัฒนชัยแล้วก็ขอโอกาสพวกเราเพื่อนสาธมิกเจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมเนาะ เราสวดมนต์กันสวดมนต์ก็เป็นการระลึกถึงคุณพระตนะไตรนะครับโดยตรงเรามีที่อยู่กันนี่ก็เพราะเพราะนะครับคุณพระตนะไตรพพุทธเจ้าได้เหมือนกับมอบที่อยู่ให้พวกเราวันนี้พวกเราก็อยู่กันอยู่ดีมีสุขที่ตรงนี้คณะที่มาก็จะได้อยู่แบบ เรียกว่าอยู่สุขสบายกันเนาะสามสี่คืนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายว่าในล่มธรรมนะในเขตในเขตสองตรงนี้ก็ก็เรียกว่าก็จะมีล่มธรรมที่คุ้มครองพวกเราอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่ที่กรุงเทพก็กําลังจัดงาน ก็เรียกว่าเหมือนกับ80ปีชาตการหลวงพ่อคำเขียนนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันใกล้ยๆเป็นวันครบใกล้ครบเหมือนถ้าหลวงพ่อยังอยู่ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็จะมีอายุแปดสิปีตอนนั้นก็ที่กรุงเทพก็จัดงานกันที่งานที่กรุงเทพก็มีพระจันดานะครับเป็นพระอาจารย์ที่ใกล้ายๆ ได้เคยอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนเป็นช่วงเวลาหนึ่งหลายปีนะครับในช่วงในช่วงที่หลวงพระเทียนยังอยู่ประจันดาก็ได้มาเทศมาเล่าสู่กันฟังถึงหลวงพ่อคาเขียนนะครับว่าหลวงพ่อำเขียนท่านจะท่านจะน่ารักประจันดาก็ใช้คำว่าท่านจะน่ารักซึ่งถ้งเกิดว่าพวกเรา ใครที่เคยพบหลวงพ่อขงเขียนก็คิดว่าคําจำกัดความของพระจันดาที่ท่านท่านบอกไว้ก็จริงเนาะคือท่านก็จะเป็นอิเลียบทนะครับการพูดกันจานะครับการทํานู่นทนํานี่อะไรทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมาะเจาะนะครับดูเหมาะเจาะไปหมดคือตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อขงเขียนท่านก็สอนเนาะ สอนพวกเรานะครับเรื่องการที่เราอยู่ที่นี่นะครับเราอยู่ในที่วัดป่าสุกโตหลวงพ่อกําเขียนก็ตั้งใจที่จะให้เป็นเรียกว่าสถาบันสติปัฏฐานคําว่าสถาบันก็หมายถึงว่าเราปฏิบัติกันเนาะให้เป็นสถาบันตรงนี้ก็หลวงพ่อก็จะแนะนําให้เราเนี่ยได้เติมนะก็เรียกว่า เน่เติมความรู้สึกตัวไปกับอิเลียบท่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนั่นคือพอเป็นภาพรวมเนาะของหลวงพ่อเนี่ยการที่หลวงพ่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอย่างนี้นะท่านก็จะก็เรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกตัวการลุกการนั่งเนาะก็ดูงดงามเพราะว่าท่านก็ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลุกการนั่งของตัวท่านเองด้วยความรู้สึกตัวการพูดการจาเนาะมันก็ดูเหมาะเจาะเพราะว่าท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยยังรู้สึกตัวเมื่อตอนบ่ายก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ที่เข้ามาเนาะบอกว่า <c oughs> รีบมาวันนี้เพราะว่า รูว่ามันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นบันเกิดหลวงพอ่อคิดว่าที่วัดเนี่ยมีงานมาจากโคราชขับรถมากันสามีก็อายุ69้าแล้วภรรยาก็อายุหกสิบามไม่บอกว่าได้เจอหลวงพ่อกำเขียนเมื่อสามปีที่แล้วงัก็ประทับใจมากเลยมีความรู้สึกว่าตัวเองมาพบหลวงพ่อกำเขียนช้าเกินไปเพราะว่าเหมือนกับพอพบหลวงพ่อกำเขียนแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ มันความสงสัยต่างๆแนละ้วในเรื่องศาสนาในเรื่องอะไต่างเนี่ยมันหายไปเพราะมันเนื่องจากว่าคำสอนหลวงพ่อคำเขียนที่สอนเนี่ยคือบอกว่าส่วนใหญ่เวลาที่ญาติโยมมาหลวงพ่อจะสอนเนรื่องไะไรหลวงพ่อบอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเปลี่ยนหลงเป็นรู้ด้วยวิธีการแบบไหนด้วยวิธีการที่เราเนี่ยคอยรู้สึกตัวผ่านความเคลื่อนไหวเนาะมันก็อย่างหลวงพ่อคเขียนก็ ใช่ไหมครับอย่างที่นี่หลวงพ่อเตียนก็จะสอนเ14จังหวะนะครับอันนั้นคือใช่ไหมครับเราให้เราคอยรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวหลวงพ่อใช้คําว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนาะบอกว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เขาก็หมอ บ, บอกว่าเขานะตั้งแต่ได้รับคําสอนของหลวงพ่อกํากเขียนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้รับอ น, นิสงฆ์มากเลยแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรู้สึกชีวิตเขาเปลี่ยนแปลง มันก็บอกว่าก่อนหน้านี้สองคนนะก็จะทุ่มเทียงกันสามีภรรยาก็เหมือนลินกับฟันนะทุ่มเทียงกันแต่พอเวลาที่เหมือนกับเข้าได้ปฏิบัตินอะนได้ตั้งใจปฏิบัติสามีก็บอกว่าเนี้ยสาปีมาเนี้ครับผมก็แบบว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆนะชีวิตเราอะไรเงี้ยก็บอกว่า เนี่ยไอ้ที่เคยตุ้มเถียงภรรยาเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเถียงกันไอ้นั่นก็เหมือนกับว่าใช่ไหมเราก็อยากถูกไอ้นั่นเธอก็ผิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นนนก็บอกว่าตรงนั้นมันก็หายไปจากชีวิตเนาะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงเนาะเป็นเรื่องจริงก็เชื่อเชื่อเขาเลยมัาก็บอกว่าเนี่ยก็บอกเ้าปฏิบัติแล้วเขาได้ผลตรงนี้ก็คือสิ่งที่ เป็นหลงวงพ่อกำเขียนที่เราได้เห็นก็คือการที่ท่านจะพูดจาท่านจะลุกจะนั่งอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอมีความรู้สึกตัวไปกับคําพูดคําจาเนี่ยคำพูดคําจาก่อนหลงวงพ่อกำเขียนก็จะเป็นคําพูดที่เหมาะเจาะพอดีเนาะไม่เขาเรียกว่าไม่ผู้ที่มีธรรมเนาะจะไม่ทําให้ตัวเองทุกข์และจะไม่ทําให้คนอื่นทุกข์ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้เห็นนะได้เห็นหลวงพ่อก็ตอนที่เมื่อก่อนจะมีการสร้างกุดการสร้างกุดตรงนี้ใหม่ๆเมื่อก่อนจะเป็นกุดสีฟ้าอยู่ริมถนนเนาะก็เป็นกุดชั้นเดียวสร้างเสร็จใหม่ๆก็หลวงพ่อก็มานั่งอยู่มานั่งอยู่บางวันก็มาอยู่อย่างเงี้ยก็ มานั้นเย็นๆน้อสักสามโมงเย็นเนี้ยก็มีพยาบาลคนหนึ่งก็ลาลัมลาลักษ์มามาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยเนี่ยสามีเขา บ, าบ้ามาทําไมก็ไม่รุ้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยมาเอาเป็นเอาตายแบบนี้ใช่ไหมนเนี่ยเขากาลังจะมารับหนูกลับหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยหนูอยากอยู่ปฏิบัติธรรมเขาก็ก็บอกอย่างนี้พอเหมือนกับพอสิอ้นสิ้นคําพูดปุ๊บเนี่ย ก็มีรถเนาะคันหนึ่งก็จอดมาจอดเนื่องจากว่าตรงถนนกับตรงตรงกุฏิเนี่ยใกล้กันเนาะใกล้กันมากหลวงพ่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นมันก็มีแบบมีผู้หญิงที่เป็นพยาบาลก็นั่ ง, ก ำ, งกำลังกาลังก้มๆเงยๆจะกราบขอให้หลวงพ่อช่วยอยู่ก็ก็มีสามีเนาะ ก็เปิดประตูรถลงมาแล้วก็มีลูกสาวก็เปิดประตูรถตามลงมาพอสองคนเปิดประตูรถลงมาแล้วก็เดินเข้ามาช่มพอเริ่มเดินเข้ามาในระยะที่แบบหลวงพ่อพอจะพูดได้ยินเสียงเหมือนกับประมาณไม่ฉี่ขนาดเนี้ยนะหลวงพ่อก็บอกโอ้ oh, บ้านนี้เนาะแบบว่าเข้าวัดกันทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก <laughs> ใช่ไหมครับคือนี่นี่คือคำพูดเนาะ คำพูดของคนที่ของคนที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนาะคือหลวงพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างภรรยาแล้วก็ไม่ได้ตําหนิสามีไม่ได้อะไรทั้งหมดเลยแต่คําพูดของหลวงพ่อเนี่ยก็มั่นใจว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปเนี่ยทั้งทั้งสามีก็คงมองภรรยาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปลูกสาวก็คงมองแม่เนาะด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทำหน้างเดียวกัน ภรรยายก็คงมองสามีมองลูกด้วยด้วยอีกสายตาหนึ่งจากคำพูดของหลวงพ่อแบบนี้ตรงนี้เราก็จะได้เห็นนะได้เห็นเหมือนกับว่าการที่เรามาหัดกันมาหัดปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็หัดเพื่อใช้เนาะแล้วก็เราจะได้มองเห็นว่าการปฏิบัติธรรมในในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนที่ให้ไว้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีทุกข์ เนาะไม่ได้เหมือนกับไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่เ้าเรียกว่าที่เรานึกไม่ถึงเนาะมีเรื่องมีเรื่องที่ในสมัยหลวงพ่อเทียนเนาะในสมัยหลวงพ่อเทียนก็มีเหมือนกับมีชาวบ้านใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากนิพพานหลวงพ่อเทียนก็ถามว่านิพพานอะ่ะมันอยู่ที่ไหนยังไงก็ เขาก็ตอบบอกว่าก็ตายแล้วนะถึงจะได้นิพพานอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็หลวงพระเทียนก็เลยบอกอ้าอย่างงั้นก็โยมก็รีบตายสิก็จะได้ไปถึงนิพพานเร็วๆเขาบอกโอ้ยเขาก็ยังไม่อยากตายนะ <c oughs> นี่คือนี่คือเป็นความเข้าใจนะเป็นความเข้าใจของของคนที่สับ ส, บสนๆนะครับว่าเอ๊ะคำวมานิพพานคืออะไรยังไงเล น, นตานานะ แต่ว่าพอถึงในยุคที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยเริ่มสอนธรรมเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็จะไม่พูดคำว่านิพพานแต่หลวงพ่อเทียนก็จะพูดคำว่าไม่ทุกจะพูดคำว่าไม่ทุกเนาะคือคำว่าไม่ทุกเนี่ยมันไม่ต้องรอตายเนาะแต่ว่านั่นคือเราก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะไม่ทุกข์กันได้ในนาทีนี้แหละใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่ที่ ที่เป็นคุณพยาบาลก็กําลังทุกข์ใจอยู่ว่าถ้าสามีมาก็จะเอาตัวกลับบ้านตัวเองก็จะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้คําพูดของหลวงพ่อคำเขียนคนํานึงนะก็คินว่าทุกคนก็คงคลายใจโล่งใจกันไม่ทุกข์ใจได้กันทั้งหมดเนี่ยนั้ น, นคือหลวงพ่อําเขียนก็จะบอกบอกว่าถ้าเรามีธรรมเนาะเราก็จะรับผิดชอบตัวเองได้คำว่ารับผิดชอบตัวเองได้ไม่ได้หมายถึงเราเหมือนกับ กินข้าวได้พับผ้าห่มได้แต่ต่างๆก็ไม่ใช่ทางนั้นแต่ว่าหมายถึงว่ารับผิดชอบตัวเองให้ตัวเองไม่ทุกข์เมื่อเราทําให้ตัวเองไม่ทุกข์เนี่ยคนรอบข้างเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกันนั่นัคือการกระทําของหลวงพอ่อคำเขียนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็จะเห็นนะว่าในช่วงชีวิตที่ตัวเองได้ได้เจอหลวงพอ่อําเขียนเราไม่เคยเห็นหลวงพอ่อคำเขียนทําให้ใครเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เคยเห็นหลวงพ่อกขมเขียน sí มีทุกข์กับอะไรนั่นนั้นคือตรงเนี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากๆนะว่าปีนี้งานล้ำลึกหลวงพ่อกขมเขียนเนาะก็จะใช้กำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นนั่นคือเราก็จะมองเห็นหลวงพ่อเขเขียนก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆครั้งหนึ่งหลวงพ่อกขมเขียนก็ได้รับผ่าข้าวเนาะที่แบบจัดมาอย่างประนีต เนาะดันั้นก็ปรากฏว่าคนก็จัดมาถวายหลวงพ่อโดยเฉพาะหนึ่งาแล้วพ่าก็ฉันเสร็จเรียบร้อยไปเนาะหลายวันถัดมาหลวงพ่อก็มาบอกว่าวันนั้นก็ลืมเอาช้อนให้หลวงพ่อ คือถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่าว่านี่ไปเอาช้อนมาให้หน่อยตอนนั้นที่แต่ตั้งแต่เห็นภาแล้วก็ไม่เห็นอุปกรณ์ที่อยู่ใน <c oughs> ในภานี่นะคนที่จัดมาให้อย่างปนีก็คงอาจจะรู้สึกเสียใจเนาะใช่ไหมว่าอตัวเองแบบว่าหลงไปลืมไปหรืออะไรต่างๆนั้นนะหลวงพ่อก็ไม่ได้บวยวายอะไรเพราะว่านั่นคือก็ไม่มีช้อนก็ไม่เป็นไรเนาะ จะ่ไหมคําอย่างนั้นจะเป็นข้าเหนียวเข้าเจ้าอะไรตารา่างๆนานามือก็ยังมีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เราก็นั่งอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินะอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องา่างหลวงพ่อก็ฉันของหลวงพ่อเราก็สนใจฉันของเราหรือะไรต่างๆนานาหลังนี้พอพอเวลาที่หลวงพ่อบอกให้ฟังมันก็โอ้นี่เนาะนี่นี่คือสิ่งที่คือหลวงพ่อก็ไม่ทุกนะไม่ทุก ช้อนไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้บวยวายให้คนที่จัดจัดของมาทุกเป็นทุกไปด้วยก็นี่นี่เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความน่ารักเนาะเป็นความน่ารักที่พระจันดาก็ได้พูดถึงหลวงพ่อในในมุมแบบนี้นะครับในมุมที่คือเราจะเรียกมาเล็กๆ ก, ก็ได้เนาะแต่หลวงพ่อเขียนจะใช้คาว่าฉวยโอกาสฉวยโอกาส ร, รู้สึกตัวเอากับทุกความเคลื่อนไหว เมื่อ่วยโอกาสกับความรู้สึกตัวทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับมันมีสติเนาะไปกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องไปหมดอย่างเงี้ยพระจานทร์นาบอกว่าหลวงพ่อเขียนเนี่ยจะชอบจะชอบเขาเรียกว่าปลูกต้นไม้แต่ว่าทุกครั้งนะที่หลวงพ่อกำเขียนเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเสียมพวกเจอบเนี่ย ท่านก็จะล้างดินออกจนหมดเก็บหมายถึงว่าใช้ของเรียบร้อยแล้วเนาะหลวงพ่อกำเสด็จจะใช้กับว่าก็กระตันกยูกับเขาแสดงความกระตันยูกับเข า, า, ก, ก, เขาก็จะเหมือนกับคล้ายๆว่าเก็บงําแล้วก็การเก็บงําตรงนี้เนี่ยก็พบว่าเมื่อเมื่อมาเจอมาเจอหลวงพ่อก็ได้ได้ขับรถเนาะสมัยนั้นยังเป็นโยมอย่ก็ ขับรถพาหลวงพ่อไปนู่นมานี่ไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนหลังเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมาบวชแล้วเนี่ยถึงได้ทราบว่ารถคันเก่าเนาะที่หลวงพ่อใช้อยู่สิบแปดปียังไม่เคยซ่อมสีเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าแต่ละวันที่กลับมาเนี่ยนะครับพอกลับมาปุ๊บเนี่ย หลวงพ่อก็จะต้องทำหน้าที่ล้างทันทีแม้วันนั้นจะไม่ได้มีฝนมีคโคลนอะไรเลยนะครับอย่างนั้นหลวงพ่อก็จะล้างกระตันยูกับของที่ใช้นะอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อก็ทำทาเป็นเรื่องปกติมากๆวันแรกที่เจอเนี่ก็เรียกว่าตกใจเลยเพราะว่าคือพอ จอดรถปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้มีฝนฟ้าอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราไปไหนมาไหนทําให้รถต้องเลอะอย่างเงี้ยนะแล้วก็จอดรถเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าจอดม่ตรงนี้ละจอดมาตรงนี้ละ่ะ <c ười> คุณตุม้มไปทาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็เราก็ใช่ไหมครับเราก็ไปปรากฏว่าพอกลับ ม, มาใหม่ที่เห็นหลวงพ่อล้างรถ <c ười> เห็นหลวง่าล้างรถอยู่รู้บอกหลวงพ่อหว่อไม่ต้องคับไม่ต้องเดี๋ยวผมล้างเองเดี๋ยวผมล้างเอง หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นแค่กิริยากิริยาเท่านั้น <c oughs> ก็คือเหมือนว่าหลวงพ่อไม่ ไ, มได้กําลังล้างรถไม่ได้เพี่ยนอะไรบ้างคืออาศัยการเคลื่อนไหวเป็นการรู้สึกตัวทํานองนี้นะครับหลวงพ่อก็จะบอกเราแบบนั้นแต่ทํานองเดียวกันนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เรามองเห็นตลอดเวลาว่าเมื่อหลวงพ่อใช้ของใช้ข้าอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อก็จะประนีตแล้วก็ดูแลดูแลเขานะครับอย่างนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ย นะครับผ้าห่มหมอนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ที่ใช้เนี่ยหลวงพ่อก็จะเก็บนําเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นภาระแรกเนาะก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าห้องน้ําเนี่ยก็คือตื่นปุ๊บก็ใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาก็จับพับจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เก็บเรียบร้อยบางทีเวลาที่ไปเนาะปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อน้องสถันที่เนี่ยมันก็จะมีมุ้งคลอบนะครับจะมีมุ้งคลอบ ตู้มุ้งคราบก็จะมีตัวพลาสติกจะมีคบที่เป็นซองเวลาหยิบเนี่ยมันจะดังค๊อบแอบก๊อบแอบเวลาที่เปิดถุงเวลาที่หยิบออกมาเวลาที่เอาใส่กลับไปหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยลุงพ่อจะมีนิสัยอันนึงก็คือลุงพ่อเขียนจะตื่นตั้งแต่เช้าๆนะครับประมาณสักตีสองครึ่งอะไรเงี้ยตีสามอะไรเงี้ยท่านก็จะลุกละนะครับท่านก็จะลุกตีสองครึ่งนี่ตื่นแล้วครับ ตื่นเป็นประจำนะหลวงพ่อเขียนจะเป็นนั้นๆแต่เวลาที่ตื่นอยู่เนี่ยเราก็จะสังเกตหลวงพ่อก็จะยังไม่ลุกนะครับหลวงพ่อก็จะทําความรู้สึกตัวอยู่บนที่นอนขยับนิดนิดหน่นอยๆ อ, อะไรของท่านถ้าสังเกตเห็นเนี่ยท่านก็จะมักขยับขยับนิ้วนะครับขยับน้อยอ ย, อย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นว่านั่นนั่นเป็นการตั้งใจนะตั้งใจที่จะสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมา เพราะว่าเราเห็นแล้วก็เป็นระยะเวลาที่คือถ้าเกิดจะทำเล่นๆหรือทำอะไรต่างๆนานาทำเพลินๆก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะมาเก็บนะครับหลวงพ่อจะเก็บมุ้งครอบเนี่ยครับใส่ซองเนี่ยแบบไม่มีเสียง <c oughs> คือหลวงพ่อก็เวลาที่อยู่ร่วมกันกันกบหมูเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ย ในห้องก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็จะมีเหมือนกับมีพระที่พักรวมๆกันอยู่ในห้องเยอะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือหลวงพ่อก็จะยังคงทํากิจวัตรของท่านแต่ทํำนานดการท่านก็จะไม่ทําให้เกิดเสียงรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยเสียงกบกบแก๊บๆพวกนี้ก็หลวงพ่อก็จะแนะนําพวกเราเนาะแนะนําว่าเวลาที่ขึ้นรถโดยสารเนี่ยเวลาที่เราจะ ขบชันอะไรบนรถเนี่ยให้ระวังเสียงพวกนี้ด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเคยนั่งรถโดยสารอะไรต่างๆจะเป็นครับที่นั่งที่ติดๆกันเนี่ยเวลาที่มีถุงอาหารอะไรต่างๆนะนะก็เก็บเก็บเลยนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ได้ยินนะได้ยินซึ่งบางทีก็เสียงพวกนี้อาจจะก่อบความรำคาญให้กับคนอื่นแต่ทํานองเดียวกันมันอาจจะบางทีก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เสียงนะหลวงพ่อก็ยังบอกบอกว่า บางทีของที่มีกลิ่นเนี่ยอย่าซื้อขึ้นรถอย่าซื้อขึ้นรถแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเวลาที่อยู่กับหลวงพ่อนานๆเวลาที่เห็นเวลานที่ขึ้นรถโดยสารเวลาที่เล่นหนอนตานานๆหล่าเนี้ยท่านจะไม่กุลีกุจอหาของมาขบเคี้ยวนะครับไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแล้ ว, ว่็เคยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งมีกิจนิมนต์ มีกิจนิมนต์แล้วก็กิจนิมนต์นั้นก็อันที่เช่นกิจนิมนต์ตั้งแต่ตอนเช้าเนาะหลวงพ่อต้องเดินทางออกจากออกจากที่จุดจุดที่พักเนี่ยนะครับเพื่อไปถึงจุดที่เป็นกิจนิมนต์เนี่ยโดยที่ไม่ได้ฉันเช้าพอไปถึงก็ไม่มีเวลาที่จะฉันกลางวันเนาะ <c oughs> ก็ทําหน้าที่เทศเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับคล้าย คือหลวงพ่อก็จะไม่อาศัยเวลาที่อยู่บนรถเนาะเป็นเวลาที่เหมือนกับหาอะไรมาขบฉันว่าหลวงพ่อก็บอกบอกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ฉันสักมื้อหนึ่งก็ไม่เป็นไรอะไรต่างๆแต่จริงๆก็คือไม่ได้ฉันทั้งวันละไม่ได้แค่มื้อเดียวเพราะเนื่องจากว่าญาติโยมก็นิ ม, มนต์แล้วก็จุดจุดแต่และจุดแต่และจุดมันต้องต้องเหมือนกับต้องเกิดการผ่านการเดินทางจนกระทั่ง เวลาขบฉันไม่มีหลวงพาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเราสบายนะหิวก็ดีใช่ไหมเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอ้นี่นะร่างกายมันยังทำงานได้พรุ่งนี้ก็ได้กินละอะไรต่างๆหนาเ่านัาน้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นี่คือคล้ายหนวงพ่อเนาะกับชีวิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกลมกลืนกันจนกระทั่งเราก็มองเห็นมากมันมันไม่มีอะไรเนาะที่ทาให้หลวงพ่อทุก ไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นก็ตามเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่กับอันนั้นอยู่กับอันนี้นะครับอย่างนั้นอย่างที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่กระทบกระเทือนจิตใจของหลวงพ่อนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนาะเป็นการปฏิบัติธรรมในแนวหลวงพ่อเทียนในลักษณะที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านได้สอ น, นไว้นะครับคือเราปฏิบัติธรรมเนี่ย เพื่อใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเหมือนกับว่าไปหาแสงหาสีนะครับหาความเป็นผู้วิเศษหรืออะไรยังไงไม่ใช่แต่ว่าเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาใช้กับนะครับการเคลื่อนไหวการเรียนต่างๆนาน า, น า, น า, น า, นานแล้วเราก็ามองเห็นนะครับมองเห็นภาพแบบนี้กับกับสิ่งที่เป็นหลวงพ่อเนาะตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่ตื่นจนหลับหลายหลายหลายหลายปีก็เป็นแบบนั้นมาตลอด เพราะนั้นนั่นคือตรงนี้นะครับว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราก็ทําเหมือนหลวงพ่อนะเติมความรู้สึกตัวเข้าไปนะครับเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเนี่ยตรงเนี้นะครับมันก็จะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันมีเวลานะครับเราก็ปฏิบัติในรูปแบบหลวงพอ่อเขียนท่านท่านก็จะใช้คํำมากหลวงพอ่อไม่เคยเก็บอารมณ์ หว่าไม่ เ, เก็บกีรมณ์ที่นี่นะ้รับจะมีจะมีก็เรียกว่าช่วงเวลาของการเก็บอารมณ์เนาะอย่างพระใหม่ใช่ไหมครับพอเวลาที่ปฏิโมก ค, ครั้งหนึ่งก็จะมีการถามกันใครจะเก็บอารมณ์บ้างนะครับก็เก็บอารมณ์ไปจนกระทั่งถึงปฏิโมกหน้าอย่างนี้เนอะอาะนะเก็บอารมณ์หมายถึงว่าอาจจะไม่ออกมาปินธบาศไม่ออกมาทํากิจต่างๆตามปกติอาจจะออกมารับ อาหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นหลวงพ่อขเขียนบอกว่าท่านไม่เคยทําเพราะว่าท่านก็อยู่กับคล้ายๆว่าอยู่กับชีวิตประจําวันอย่างที่เฉวยโอกาสนะที่จะคอยรู้สึกตัวเวลาที่เดินบินทะบาทอะไรเงี้ท่านก็อยู่กับความรู้สึกตัวเวลาที่เหมือนกับอยู่กับหมู่ หมู่คนที่ไม่ใช่เป็นหมู่พระหมู่สงเลยต่างนาเหล่าน so ี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เวลาที่อยู่ท่ามกลางการพูดจาบางทีบางทีพระเราก็อาจจะได้ทันได้ทันรู้สึกเนาะเวลาที่เหมือนกับเราไปอยู่กับหมู่เพื่อนหมู่โยมหรืออะไรต่างนานาบางทีคําพูดคําจาก็เขาก็ไม่ค่อยระมัดระวังกันเนาะยังไงมันก็จะมี ก็เรียกว่ามีความหลงอยู่ในนั้นหลวงพ่อเขียนก็บอกว่าโอ้นั่นมันก็เป็นความหลงนะใช่ไหมครับอย่างนั้นก็คือท่านก็คอยรู้สึกตัวของท่านไม่ไปร่วมผสมลงไม่ไปร่วมอะไรต่างๆนานาแล้วนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเองท่านก็ใช้นะครับใช้วิธีนี้ตลอดการสอนนะครับของหลวงพ่เทียนของหลวงพ่อเเขียนก็จะสอนเรื่องนี้เป็นหลักก็คือการรู้สึกตัวนะครับ เคยถามหลวงพเขียนมากหลวงพ่เทียนไปสิงคโปร์เนี่ยเวลาที่ไปสอนเนี่ยอย่างแรกเลยที่นุวงพ่เทียนสอนคืออะไรนุวงพเทียนก็สอนก็คือจับมือคนสิงคโปร์แล้วก็เขยา่าแล้วก็ถามว่ารู้สึกตัวไหมเนี่ยรู้สึกตัวไหมเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกับคําสอนที่ท่านสอนไว้ใช่ไหมครับก็คือการที่เราเนี่ย คอยรู้สึกตัวนะครับมีความเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกตัวมีความเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกตัวเราเวลาที่เรานึกถึงเวลาที่เรานั่งเหมอใจลอยกันเนาะใช่ไหมครับมีความเคลื่อนไหว ม, มีการสะกิดหลังหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราก็ยังตื่นขึ้นมาจากการใจลอยรู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวได้นั่นคือเพื่อนๆช่วยนะครับช่วยให้เราเนี่ยหายใจลอยนี้นั่นคือหลงวงพ่อเทียนก็ ไม่ต้องรอให้เพื่อนมาช่วยหายใจลอยนะเราก็อาศัยความเคลื่อนไหวของเรานี่แหละที่เราจะกลับมารู้สึกตัวพอเรากลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ทําให้ก็ เ, เรียกว่าเป็นผลให้อะไรคือใจที่ลอยไปเนี่ยก็กลับมาเจ็บไหมครับการที่ใจลอยไปเนี่ยกลับมาเนี่ยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเนาะ ถ้าเกิดเราตกอกตกใจนะเขา่าตกใจก็หมายถึงใจมันหายไปแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นพอขวัญเอ้ยขวัญมาใจกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เรียกว่านะครับเราก็มีใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับตั้งตัวได้ใหม่นะครับเลิกขวัญหายเลิกขวัญขวัญหนีดีฟอต่างๆทํานองเดียวกันนะครับการที่จิตใจของเราตกจมไปกับทุกข์กับโศกเลยกับความโกรธหรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะการที่เรากลับมารู้สึกตัวได้ หมายความว่าจิตใจของเรากลับมาจากสภาวะต่างๆนั้นแล้วกลับมาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยตรงเนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็อย่างแนะนํานะบอกว่าเมลาโกรธเนี่ยอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดดื่มน้ําสักสามอึกก่อนรอดื่มน้ําสักสามอึกก่อนแล้วค่อยพูดอย่างนั้นก็จําได้ว่าครั้งหนึ่งก็มีบทเรียนแบบนี้เนะบทเรียนแบบนี้ ก็มีผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบว่าเรียกว่าใช้อารมณ์มากๆเลยนะใช้อารมณ์แบบว่าหน้าเขียวหน้าแดงนะอย่างเนี้ย <c oughs> พระจันโนทท่านก็บอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวดื่มน้าก่อนพระจันโนทก็ยื่นแก้วน้ำให้นะก็ขเขาก็รับแก้วไปแล้วเขาก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับก็ยังพูด ไอ้ น, นู่นนี่ใส่อารมณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็พอนี้ก็จังหวะที่เหมือนกับพูดมาระยะหนึ่งนะก็หยุดหอบหายใจพระอาจรย์โนตก็มาบอกว่าโอ้มันเนี้ยเนีแยแบบว่าพักสักหน่อยเหนื่อยและนะ้วหน้าเหนื่อยแล้วนะดื่มน้ําสักหน่อยใช่ไหมครับเขาก็แบบว่าเหมือนกับเสียไม่ได้นะก็ใช่ไหมครับก็ยกแก้วน้ําขึ้นแบบว่าดื่มแล้วก็อมน้ําไว้ในปากนะคงกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพูดดีหรือจะกลืนน้ําดี คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็คงนึกขึ้นได้ว่าถ้าพูดออกไปน้ํามันคงกระเด็นนะก็เลยตัดสินใจกลืนน้ําปรากฏว่าในขณะที่เขาตัดสินใจกลืนน้ําอ่ะจิตมันก็ใช่ไหมครับกลับมาตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะกลืนน้ําลงไปในคอจิตที่มันอยู่กับอารมณ์โกรธนะครับมันก็กลับมาปรากฏว่าพอเขาดื่มน้ําเสร็จนะครับก็ก้มลงกราบอาจารย์โน้ตนะ บอกว่าโอ้โอแบบว่าคือช่วยให้เขาแบบพ้นจากอารมณ์ใช่ไหมครับพ้นจากอารมณ์โกรธซึ่งเขาเองเขาก็ไม่ได้พอใจนะมีอารมณ์โกรธตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ม่านี่คือสิ่งที่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยนะครับได้วัตถุสิ่งของได้นุ่นได้นี่มาช่วยให้เรารู้สึกตัวมีเพื่อนมีนอะไรต่างๆนานามาช่วยสะกิดให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกตัวเนี่ย แต่ว่านี่คือที่นี่นะครับก็จะแนะนํากันเรื่องนี้ว่าเราหัดรู้สึกตัวไปกับความเคลื่อนไหวของเราเองหัดรู้สึกตัวไปกับความเคลื่อนไหวของเราเองตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อกําเขียนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นทั้งที่สุดนะครับเป็นทั้งธรรมเอ้ยเป็นทั้งเริ่มต้นเป็นทั้งท่ามกลางและเป็นทั้งที่สุดซึ่งมาที่สุดก็คือเหมือนกับว่าความไม่เป็นอะไรกับอะไรเนาะ ที่หลวงพ่อเขียนท่านก็ได้แสดงให้เห็นไม่ใช่แสดงให้เห็นหรอกเราได้เห็นท่านในนาทีสุดท้ายของของของชีวิตท่านเนาะใช่ไหมครับท่านก็ยังมีใจนะครับที่จะบอกลาพวกเรานะครับด้วยการที่ขอกระดาษขอปากกามาเขียนนะครับแล้วก็เขียนอย่างที่พวกเราอ่านไม่ออกหรอกณ น, นาทีนั้นเพราว่าไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีใจที่จะอ่านนะครับจากนั้นท่านก็เขียนบอกว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายแล้วก็คาเขียนคํานั้นนะพอหลวงพ่อเขียนเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ยื่นกระดาษให้เราวางปากกาให้เราแล้วหลวงพ่อก็พนมมือเราแบบว่าขอบคุณเราที่ดูแลหลวงพ่อมานานอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อก็พนมมือเสร็จหลวงพ่อก็หลับตานะครับหลับตาสบาย ท่านเราจะเรียกว่านอนยิ้มก็ได้นะแต่จริงๆนั่นก็คือเป็นใบหน้าของหลวงพ่อที่เราก็คุ้นเคยอยู่ว่าหน้าท่านก็ใจดีมากๆนั่นก็คือว่าที่ท่านหลับตาท่านก็หลับตาสบายๆนะครับแล้วก็แป๊บเดียวท่านั้นเองท่านก็หมดลมนะครับขอบพับไปนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่านี่คือการที่ถ้าเรานะครับกลับมารู้สึกตัวได้กลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยแม้ความตายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นั่นนี่คือตรงนี้นะครับก็ชวนพวกเราเนาะมาสุกโตแล้วนะครับก็มาทําความรู้สึกตัวกันเพราะว่าตรงนี้แหละจะเป็นเครื่องช่วยพวกเราให้พวกเราไม่ทุกนะครับไม่ว่าเราจะเดินไม่ว่าเราจะกินไม่ว่าจะแปลงแปลงฟันอาบน้ำะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับได้ทุกอีเยบทใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวพวกเราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปกับการกลับมาพร้อมกันด้วย